บรรดาปัจจัยสี่นี้ข้อที่สองเสนาสนะแปลาตามศัพท์ว่าที่นั่งและที่นอนคือที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยใหญ่ทั้งเป็นที่ตั้งอาศัยและครอบคลุมปัจจัยข้ออื่นๆจะปรุงจะรับประทานจะเก็บอาหารเสื้อผ้าจะนุ่งห่มแต่งตัวแทบทุกอย่างทุกประการก็อาศัยเสยนาสนะทั้งนั้นจนกระทั่งในการถวายทาน พระพุทธเจ้าเคยตรัสแสดงความสำคัญไว้ว่าผู้ให้ข้าวน้ำชื่อว่าให้กำลังให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพรุ์ให้ยานพานะชื่อว่าให้ความสะดวกสบายให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุส่วนผู้ใดให้ที่พักพาอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างและผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อามาริตสำหรับพระสงฆ์เสนาสนะมีความหมายโยงขยายออกไปตั้งแต่กูดีที่อยู่ส่วนตนจนถึงที่อยู่อาศัยร่วมกันอันรวมเป็นวัดที่มีคำเรียกเดิมตามพุทธานุญาตว่าอารามแปลสามัญว่าสวนและวัดคืออารามนั้นก็เกิดขึ้นมาจากป่าคือวนะและหรืออุทยาน ดังเห็นได้ชัดจากกำเนิดของวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าปิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าคือเวลุวันอุทยานใช้คำบาลีว่าเวรุวานังอุยานังและวัดสำคัญที่ประทับยาวนานที่สุดคือเชตวันอุทยานที่มาเป็นเชตวนารามคำบาลีก็เปลี่ยนจากเชตัสราชกุมาระสอุยานัง มาเป็นเชตาวเนอณาทปินทิกัสอารามจากอารามคือวัดในวนะอันเป็นป่าย่อยในถิ่นใกล้บ้านย่านใกล้เมืองและชายป่าใหญ่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ก็ขยายกระจายออกไปสู่ถิ่นห่างไกลในป่าใหญ่ที่เรียกว่าอารันใช้คำบาลีว่าอารัญยะอันรวมทั้งถ้าเงื้อมเขาบนบันพสกิรี และในที่สุดเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยนั้นก็โยงพระสงฆ์เข้ากับป่าดงพงไพรขุนเขาและถิ่นบ้านแดนเมืองทั้งหมดจนถึงโลกอันรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งมวลเสนาสนะที่อยู่อาศัยถิ่นแดนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งรอบตัวที่จะรับรู้ติดต่อเกี่ยวข้องสื่อสารสัมพันธ์ด้วยปัญจัวาลคือผัสสะทวาน หรืออินทรีย์ทั้งห้านั้นเองดังนั้นโลกรอบตัวที่ว่ามานี้จึงเป็นแดนแห่งกายภาวนาที่จะฝึกฝนพัฒนากายคือพัฒนาความสัมพันธ์ทางอินทรีย์เหล่านั้นลักษณะความสัมพันธ์ที่ต้องการซึ่งมีอยู่ตลอดทุกเวลาในชีวิตของพระพิสุหรือผู้ศึกษาปรากฏตั้งแต่ในถ้อยคำพื้นฐานที่กล่าวแล้วนั้นและโยงไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีงามกว้างออกไปกว้างออกไป โดยก้าวหน้าไปกับการพัฒนาในการฝึกการศึกษานั้นเริ่มด้วยคำหลักที่เป็นพื้นมาในชีวิตของพระภิกษุคำแรกที่กล่าวแล้วนั้นคืออารามที่แปล ง, ง่ายๆว่าสวนหรือแปลตามศัพท์อย่างที่นิยมพูดกันมาว่าที่มายินดีคำว่าอารามหรือที่มายินดีนี้บอกความสัมพันธ์พื้นฐานของผู้ศึกษาเริ่มจากถิ่นที่อยู่อาศัยคือวัด ว่าเป็นที่มีสภาพธรรมชาติพืชพันธุ์กบไก่นกกาที่ชวนใจให้มายินดีคำว่าอารามนี้บอกความสัมพันธ์ทางจิตใจที่พึงประสงค์ซึ่งภิกษุหรือผู้ศึกษาพึงมีเป็นพื้นฐานต่อสถานที่อยู่อาศัยอันเหมาะนั้นแล้วขยายออกไปให้ถิ่ินแดนที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารามที่มายินดีมิใช่เท่านั้นคาว่าอารามโยงภิกษุหรือผู้ศึกษานั้น ลึกเข้าไปทางด้านความเป็นอยู่และการปฏิบัติธรรมด้วยคือโยงต่อเข้าไปถึงแดนของอินทรีย์ใหญ่ภายในอันได้แก่ใจให้มีอารามคือความมายินดีในเรื่องต่างๆขยายต่อออกไปอันที่เป็นหลักๆเช่นปวิเวการามมีความสงัดวิเวกเป็นที่มายินดีปฏิสันลานารามมีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีแล้วก็ลึกลงไปถึง ปหานารามมีการแก้ไขและเลิกอกุศลธรรมเป็นที่มายินดีภาวนารามมีการเจริญคือพัฒนากุศลธรรมเป็นที่มายินดีอารามเป็นอาการความรู้สึกในจิตใจของพิกษุหรือผู้ศึกษาที่พึงมีต่อสิ่งอันเหมาะที่จะสื่อสารสัมพันธ์นั้นโดยตรงและเท่ากับว่าผู้ศึกษาเองมีหน้าที่จะพึงทําให้สิ่งที่ตนเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้น เป็นอารามอันจะเป็นที่มายินดีด้วยตั้งแต่วัดที่อยู่อาศัยของตนเองที่มีชื่อให้เรียกว่าอย่างนั้นอยู่แล้วและพึงแผ่ขยายอารามนี้ออกไปให้ทั่วรอบขณะที่คำว่าอารามแสดงความรู้สึกในใจที่สัมพันธ์หรือมีต่อสถานที่ถิ่นฐานสิ่งแวดล้อมนั้นๆก็มีอีกคำหนึ่งที่ปรากฏมากมายเหลือเกินในชีวิตของพระสงฆ์หรือผู้ศึกษาตลอดถึงท่านผู้จบการศึกษาแล้วในพระธรรมวินัยนี้ น่าจะมากน่าจะบ่อยกว่าอารามซะอีกคือคําว่าร ม, มณีที่แปลว่าน่ารื่นรมคํานี้ชี้บอกไปที่สภาพของบรรยากาศที่ชื่นฉู่ใจอันพึงประสงค์ยิ่งสําหรับผู้ศึกษาที่จะเกื้อกูลให้เจริญงอกงามก้าวไปด้วยดีในการศึกษาพัฒนากุศลธรรมและสําหรับท่านผู้จบการพัฒนาแล้วก็จะสัมผัสพบสภาพร ม, มณีนี้ได้ง่ายดายหรืออย่างพร้อมทันที เพราะมีสัมผัสที่ไม่มีกิเลสแฝงงาหรือกั้นบังกับทั้งท่านเองนั่นแหละเป็นผู้พร้อมที่จะทําให้ถินฐานสิ่งแวดล้อมเป็นรมณีคือเป็นที่รื่นรมทั้งแก่องค์ท่านเองและแก่ผู้อื่นทั้งหลายที่เข้ามาใกล้ชิดหรือแวดล้อมด้วยรมณีภาวะที่น่ารื่นรมจึงเป็นคําที่ปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎกเหมือนเป็นบรรยากาศหนึ่งของพระไตรปิฎกนั้นด้วยเริ่มตั้งแต่ในพุทธประวัติก่อนตรัสรู้ เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จเที่ยวทรงสแสวงหาสถานที่อันเหมาะที่จะทรงบำเพ็ญเพียรในที่สุดทรงพบที่อันเหมาะเช่นนั้นณอุรุเวลาเสนานิคมดังคำตรัสในวาระนั้นว่าภาคพื้นภูมิสถานทินนี้เป็นที่รื่นรมจริงหนอมีภัยสนร่มรื่นน่าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสเย็นชื่นใจ ชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบทั้งโครจรคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบาเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั้นแหละได้นั่งลงแล้วณนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี่ละเหมาะที่จะบาเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกเมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู่ และผ่านไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะตามป่าเขาแดนไพรมีคําบันทึกไว้ว่าท่านได้ ก, กล่าวถึงสถานที่นั้นๆว่าเป็นที่รื่อนรมบางทีก็พรรณนาไว้ด้วยว่ารื่อนรมอย่างไรดังตัวอย่างพระเอกาวิหารยะเถระกล่าวถึงบรรยากาศในถิ่นที่ท่านไปอยู่วิเวกเป็นคาถาความว่าเมื่อลมเย็นพัดมาผ้ากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไป เรานั่งอยู่มันยอดเขาจากทำลายอวิชชาณนะเงื้อมผาที่ดารดาษไปด้วยดอกโกสุมมีภาคพื้นเยือกเย็นในแดนป่าเราผู้เป็นสุกแล้วด้วยวิมุตติสุกจะรื่นรมอยู่ในถ้ำแห่งคุนเขาอย่างแน่นอนพระมหากัสสปะกลับจากบินทบาทเดินขึ้นภูเขาก็กล่าวคาถาประพันธ์ชื่นชมความรื่นรมในแดนป่าดังที่มีบันทึกไว้ยืดยาว เช่นตอนหนึ่งว่าภาคพื้นภูผาเป็นที่ร่าเริงใจมีต้นกลุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถวเสียงช้างร้องก้องกังวานเป็นบรมยสถานถิ่นขุนเขาทำใจเราให้เรื่อนรมขุนเขาสีทมึนดุดเมกงามเด่นมีทา น, น้ำเย็นใสสะอาดดารดาดด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทองทินขุนเขาทำใจเราให้เรื่อนรมยอดภูผาสูงตรงานเทียมเมฆเขียวทมึนมองเห็นเหมือนเป็นปราสาทกกมปนาดด้วยเสียงช้างคำรนร้องเป็นที่ร่าเริงทินขุนเขาทำใจเราให้เรื่อนรมรวมความดังได้กล่าวแล้วพระอรหันได้พัฒนาอินทรีย์แล้ว เป็นพาวิตินรีท่านเองนอกจากพร้อมที่จะสัมผัสบรรยากาศที่เรื่อนรมได้โดยพลันแล้วถึงแม้ท่าที่นั้นไม่น่าเรื่อนรมท่านก็มองหรือวางใจเรื่อนรมได้เมื่อไปในที่เรื่อนรมก็เรื่อนรมโดยไม่มีอะไรกีดกัน้นแม้ไปในที่วุ่นวายก็กลายเป็นทำสถานที่นั้นให้เรื่อนรมคนใดมาใกล้หรือได้แวดล้อมก็ปล่อยเรื่อนรมใจดังคาถาในธรรมบทที่ว่า ไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนพระอรหันท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอันรื่นรมกายภาวนาเป็นการพัฒนาพื้นฐานขั้นต้นซึ่งจะสำเร็จผลสมบูรณ์เป็นจริงก็ต่อเมื่อได้พัฒนาจบสิ้นคือบรรลุผลของปัญญาภาวนาแต่เมื่อพัฒนาจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว ภาวิตากายก็เป็นด้านที่แสดงผลออกมาซึ่งปรากฏก่อนนำหน้าหรือที่คนทั่วไปจะสัมผัสได้ง่ายแต่พร้อมกันนั้นก็มีผลสัมแดงอย่างอื่นที่เทียบคล้ายซึ่งคนทั่วไปผู้ที่ตนเองไม่ได้พัฒนาจิตปัญญาศีลและกายอาจเข้าใจผิดเหมือนถูกพาให้หลงไปได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน